เปลวไฟนั้นทำให้ภาชนะเกิดเสียงเปรี้ยๆเหนางเห็นดังนั้นจึงยึดสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์ใกล้ครวนความไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นอย่างดียิ่งจากนั้นก็ได้พิจารณาความเป็นอนิจจงทุกขงังอนัตตาขึ้นในครัวนั้นเจริญวิปัสสนาขวนขวายโดยลำดับได้บรรลุนาคาวิผลตามลาดับแห่งมาก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 จึงตรัสพระคาถานี้ว่าดูกนเทเรเธอจงเอาท่อนผ้าทาจีวร น, นุ่งห่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคาของเธอสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อในเวลาจบคาถาพระเทเรบลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะอินทรีแก่กล้าและเพราะพระสาทสดาเทศนาได้ไพเราะ